20โคตระูยานวงเล็บเปิด6ตุลาคม2550้าห้าในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดมีสภาวะธรรมอันหนึ่งมีองค์ธรรมคือขันติเรียกว่าอนุโลมยานถัดจากอนุโลมยานเกิดโคตระูยานวงเล็บเปิดยานครอบโคตระ คือปัญญาที่อยู่ในลำดับจะถึงอริยมรรคหรืออยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะข้ามพ้นภาวะปูทุชนขึ้นสู่ภาวะเป็นอริยะวงเล็บปิดเกิดมรรคยานวงเล็บเปิดยานในอริยมรรควงเล็บปิดผลลยานในวงเล็บยานในอริยผลตัวนี้เกิดต่อกันนะใจเรายังไม่ได้ยอมอย่างร้อยเอร์เซถ้าใจยอมอย่างรอยเปอร์เซ ใจก็จะยอมรับสัจจะยอมรับความจริงขันนี้เป็นทุกข์ล้นล้วนขันนี้อยู่นอกเหนือการบังคับทาอะไรไม่ได้เลยใจยอมรับตรงนี้ใจก็จะวางขันขันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันละตรงที่ใจปล่อยขันทิ้งนี่เรียกโคตรภูพยานนี่เป็นทางเดินที่พระอริยะเจ้าทุกๆองค์เดิน